ท่านฟังที่ครบคะ่ะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัมมีสนทนาทางสถานีวิทยุเอครอบครัวข่าวรายการที่ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ธรรมะของระษาสดานั้นได้ไปถึงทุกๆ ท, ท่านและเพื่อให้ทุกๆ ท, ท่านได้ทราบว่าธรรมะของระาศาสดาเราสามารถนำเอาไปใช้ได้ทุกลมหายใจของเรากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับทุกๆ ท, ท่านด้วย วันนี้เรากําลังจะไปพบกับช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวาชนะกับพระภัยบุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายศูนย์ดอนธา น, นีกันแล้วค่ะกราบน้มักการกันท่านคะเชี่ยผานค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาพบกันในรายการนี้ท่านคะในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเลขแปดสิบแปสิบจะได้ยินกันบ่อยมากอืตามสื่อต่างๆ่างที่ฉันไม่ได้หมายถึงลอตเตอรี่นะคะแต่กําลังหมายถึงเ อ, อเวลา ที่ประเทศไทยใช้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาแปดสิบปี<ม>ก็จะมีสารพัดกิจกรรมหรือว่ามีการเขียนถึงพูดถึงหล า, ายอย่างอ<ม>ืแต่ว่ามีคนพูดถึงกันเยอะไปแล้วในรายการของเรานี่ก็อยากพูดถึงเลขแปดสิบเหมือนกัน<อ>แต่ต้องกราบเียนถามท่านว่าจะพูดถึงได้ไหมถ้าจะเอาเข้ามาสู่กรอบของรายการก็คือพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าวินัยของพระพุทธเจ้าเลขแปดสิบเนี่ย มีนยะอะไรหรือมีความสําคัญอย่างไรในกรอบของเราไหมคะพระเจ้าเคยพูดถึงเลขแปด80อยู่ว่าตัวพระองค์เองมีอายุ80ปีแล้วแก่เท่าแล้วนะแต่ว่าอายุ80ปีของพระองค์นี่ใครจะคิดว่าจะทำให้เป็นคนจดจำอะไรหลงๆลืมๆแล้วไม่ใช่อย่า ง, งานั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาเฉียบคมาการแสดงธรรมไปนั้นแม้อายุ80ปีแล้วงงเงินเินี่ก็ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไป นะเพราะอายุนั้นเลยอันนี้อันที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นถา่ว่า80ปีนี้ก็ไม่ได้ไม่ถือว่าไม่ถือว่าน้อยนะคุณผูมติวมากนะถ้าเป็น<ม>ค น, นสมัยก่อนน่าจะมากอะแก่เท่าแล้วนะถ้าเป็นคนแก่นี่คงจะต้องจำอะไรเฝเฝอเฟือฟ้อนเฟือฟ่อ น, นบ้างแต่พระเจ้าไม่เป็นถ้าไปเ ป, ป ร, เรียบเทียบกับประชาธิปไตยมันก็คงจะอายุยันหนึ่งของมันน ะ, ะทีนี้ว่าอีก80หนึ่งที่พระเจ้าเคยพูดถึงก็คือเรื่องของจํานวนสาวกที่ ที่เป็นเอตตะคะนะที่เป็นยอดเป็นสาวกชั้นยอดคือพระอาหารหันต์เนี่ยก็เสมอกันที่บิตมุดนะหมายความว่าความเป็นจิตที่วิตมุดหลุดพ้นบริสุทธิ์เนี่ยทุกองค์ทุกท่านเสมอกันหมดนะแต่ว่ามันก็จะมีระดับของความเป็นพระอาหารหันตะ์ระดับที่สูงสุดเลยก็คือสมณะสมุทะนะต่ากว่ามาอีกก็เป็นปัจเจกพุทธเจ้านะต่ำกว่าไปอีกนะก็จะเป็นอสิติมาอัครสาวกมาหาสาวกสองรูปนะแล้วต่าลงไปอีก แล้วก็จะเป็น อ, อสิติมหศาสาวก80รูปและต่ํากว่าไปอีกก็คือพระอรหันต์ธรรมดาเอ่อคือที่ว่าแตกต่างกันอย่างเงี้ยคือจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่จะเอ่อบริสุทธิ์ได้ไม่ไม่เหมือนกันค่ะคือคือบอริบูรณ์นี่บริบูรณ์เหมือนกันแหะแต่ความบริสุทธิ์นี่ไม่เหมือนกันค่ะคือหมายความว่าสเสมอกันที่บิมุดนะทำไม่ถึงบิมุดได้แต่ว่าไอ้ที่ความฉลาดเฉียบแหลมบางคนมีความสามารถเรื่องนี้ ถ้าเราจะเอาปัญหาอาที่ลึกซึ้งละเอียมเฉียบแหลมเนี่ยมาให้พระอรหันต์ธรรมดาธรรมดาน่าจะแก้ไม่ได้แต่ต้องไปให้อัครมหาสาวกสองรูปเนี่ยถึงจะแก้ได้อย่างนี้เป็นต้นก็มีค่ ะ, ะอืเท่ากับว่าขอฟังอีกครั้งได้ไหมเท่ว่าเลขแปดสิบกับในส่วนที่ท่านกําลังพูดถึงพระพุทธเจ้าหรือว่าพระอรหรอันต์ในระดับต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะคะขอะชักชเลขแปดสิบก็คืออยู่ตรงที่ว่าสาวกชั้นยอดแปดสิบรูป อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นชั้นยอดเลยใช่ไหมคะชั้นใช่ชั้นยอด80 ร, รูปคือชั้นยอดนี่มีอยู่2ระดับนะยอด2ยอดนะคือซ้ายขวาพระมาโมคลานะกับพระสารีบุตรนี้2ยอดละแล้วก็ที่ยอด ถ, ถัดลงมาอีกแล้วก็เป็น80ยอดนี้ซึ่งซึ่งจริงๆก็รวม2ยอดนั้นแหละจริงๆต้องเป็นเจ็ดบเจ็ดค่ะก็เท่ากับว่าท่านก็ได้อ่าภาษาอังกฤษน่ะ selective ใช่ไหมคะจัดไว้เป็นกลุ่มกลุ่มยกย่องยกย่อง <c oughs> นายยกย่องบุคคลเหล่านี้ในความยอดเรื่องต่างๆ <c oughs> ออย่างเช่นสาวกในสมัยปัจจุบันพระอาราัอื่นๆอย่างเงี้ยใครจะไปยอดกว่าพระมหากัสปในเรื่องการถือทุตุลกขวัตไม่มี <c oughs> ท่านจะละเอียดรอบคอบรัดกลุมไม่หลาหลวมในทุกๆกรณีแต่พระองค์อื่นเรื่องเรื่องการถือทุตุงกวัตใช่ไหมอาจจะปู่ตรงนี้ผิดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็อย่างอื่ก็บริสุทธิ์เป็นเป็นพระอรหัน์เหมือนกันเป็นต้นนะค่ะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามองในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ในประเทศไทยครบรอบปีที่80ไปเมื่อวานเนี่ยนะคะ mm hmm. หลักการก็อ ะ, อะไรนะคะการปกครองประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนเนี่ย mm hmm. ถ้าจะมาปรับประยุกเข้ากับพระพุทธศาสนามีส่วนใดที่สอดคล้องกันบ้างคะ ก็จะมีอยู่ตรงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เป็นธรรมอาธิปไตยไม่ว่าคุณจะปกครองแบบไหนก็ตามนะคือหมายความว่าการที่เราเอาตามคนหมู่มากนี่คือประชาธิปไตยใช่ไหมแต่ถ้าคนหมู่มากบอกบอกว่าข้าสัตว์ดีออันนี้อันนี้เริ่มไม่ถูกแล้วน ะ, <Okay. S 1> ะ, ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้เอาตามธมารรมอาธิตย์ปฏายคือเอาธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะ <Okay. S 1> ที่คนละมีไหมมี ความชั่วความบาปความโกหกหลอกลวงพวกนี้ควรละนะความอักตันยอยู่ควรละนะธรรมะที่คนรทำมีไหมมนะีเช่นความอักตันย์ความเมตตาพวกนี้ควรทําเราเอาธรรมะตรงเนี้ยเป็นเหมือนกับบรรทัดฐานในการปกครองนะถึงจะดีถ้าคนส่วนใหญ่โหวตกันบอกว่าด่ากันดีอันนี้ไม่ถูกนะต้องมีสักคนใดคนหนึ่งจะเป็นจํานวนน้อยก็ตามนะต้องลุกขึ้นบอกว่าเฮ้ยคุณทําไม่ถูกนะ ต้องเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็เราไม่ไปตามคนหมู่มากอ่ะกรณีว่า ง, งั้นเถอะค่ะคก็เธอบอกว่าไม่ว่าจะปกครองในรูปแบบใดก็แล้วแต่ถ้าจะใช้ธรรมะของพระพุทธองค์เข้าไปจับแล้วถือว่าสิ่งที่เป็นธรรมอันประเสริฐเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้เป็นบรรทัานในการปกครองใช่ใช่คือจะเป็นจะต้องเตือนว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกเสมอไป ค, คนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกเสมอไปไม่แน่ค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นอะจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ต้องอ้างอิงว่าถูกต้องตามทํามไหมใช่นะคะนี่เป็น อ, อ, อันนี้มีนิทานที่เขาเล่ากันมาพอจะมีเวลาเล่าอยู่เนอะคุณคุณโยมติว๋วอันนี้เป็นนิทานสั้นๆระหว่างนายดำกับนายขาว น, นี้ไม่ใช่พื่อว่าจะนะนัดเรื่องที่จะเล่าต่อ <c oughs> ไปนี้ <c oughs> นค่นะ น, นั่นคือนายดำกับนายขาวเขาก็เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็นายดําเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีศีลเท่าไหร่ผนะิดโน้นบ้างผิดนี่บ้างแต่นายขาวเนี่ยเป็นคนที่อยู่ถูกต้องตามศีลธรรมมีศีลอยู่เสมอ พรากว่านายขาวเนี่ยนายดำกับนายขาวพอสิ้นอายุก็ตายกันไปใช่ไหมแต่เขาเป็นเพื่อนรักกันนายขาวก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็มีความสุขอย่างเทวดาที่เขามีกันแต่นะไปไหนก็บินไปกินอะไรก็ น, นึกเอานะไม่ต้องไปห้องน้ำแต่แดงสิ้นนะมีความสุขต่างๆตามกรรมคุณท่าที่เทวดาเขาจะมีกันก็มีอยู่วาวันหนึ่งนายขาวซึ่งเป็นเทวดาแล้วตอนนี้นะก็มานึกถึงเพื่อนนายดำไอ้ว่าเพื่อนนายดำไปอยู่ที่ไหน นะด้วยความสามารถของเทวดาเข า, เขาก็ระลึกไดนะ้ว่าเอาตรวจสอบได้แล้วเอานายดำไปเกิดเป็นนอนเกิดนะเป็น น, นอน <S 1> <S 1> อยู่ในฐานสุ้มของพระในหลุมส้วมของพระนี่แหละนะด้วยฤทธิ์ของเทวดาเขาก็เลยไปไปปรากฏตัวอยู่หน้าฐานส้วมไม่ได้เข้าไปในนั้นไปปรากฏตัวหน้าฐานส้วมของของนอนตัวนี้นอนนายดำแล้วก็ด้วยอํานาจของเทวดาแะไรก็เลยเนรมิตตัวเองที่ทําให้ในายดหนอนนายดำเนี่ยจะเข้าใจได้ว่าตัวเองเป็นเพื่อนนายขาว ใ, ในหนอนในดำนะก็เลยเห็นเพื่อนปุ๊บก็เลยอ๋อนี่มันนายขาวเพื่อนเรานีิเอาเป็นยังไงก็เลอแล้วก็คุยกันนะปรากฏว่าพอนายขาวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าชีวิตของเทวดาเป็นยังไงในเทวดาเป็นอย่างงั้นอย่างนี้โอ้โหมีความสุงกินข้าวอะไร ง, งี้งีเสร็จปุ๊บพอเล่าให้ในายดำฟังนะหนอนนะนอนในดําำปรากฏว่าหนอนในดำเนี่ยร้องไห้เลยคุณโยมติวร้องไห้เป็นวักเป็นเวีนเสียใจแทนเพื่อนว่าโอ้เพื่อนฉันทำไมอยู่ลําบากขนาดนี้ กินข้าวยังต้องนึกเอาด้วยหรอนะดูฉันสิมไม่ไม่ต้องนึกอะไรเลยเวลาจะถึงเวลากินข้าวปุ๊บเดี๋ยวพระเอาอาหารมาส่งให้ถึงหลุมนะแล้วยังไปไหนต้องหออไปเหรอโอ้โหน่าลำบากจริงฉันไม่ต้องไปไหนอยู่ที่นี่ปู่ญาตายายญาติมิตรเพื่อนอยู่ที่นี่มอดอยู่ในฐานชุมพระไว้กันค่ะปรากฏว่ า, เ, าเทวดาในขาวก็พยายามจะอธิบายให้ห <c oughs> นอนในดำได้ฟังแต่แว่าจริงๆมันเป็นยังไงนอนในดําก็ไม่เข้าใจดี นะจริงเองั้นไปดูกันไปดูว่าเทวดาสวรรค์เป็นปยังไงเลยจะพาไปนนทนได้คำถามคําหนึ่งคุณโยมติวก็ <Okay. S 1> าถามว่าเอ้ยแล้วบนสวรรค์มันมีขี้ไหมมีอุจจาระไหมนะเพราเพราะนนมันอยู่ในฐานส้วมพระมันก็กินอุจจาระพวกนี้น ะ, ะเทวดาในข่าวจะไปมียอะไรบนเทวดาบนสวรรค์ไม่มีอุจจาระไม่มีขี้ไม่มีส้มวสมเลยซ้ํา <Okay. S 1> นอนในนาําก็เลยไม่ไปอุย้ยไม่ไปหรอกถ้างั้นนะเพราะว่าจะไปดูอะไรถ้ามันไม่ได้ไปดูอุจจาระไม่ได้ไปดูห้องน้ำนะในที่นั้นก็เลยแยกกันต่างคนต่างไป นนในที่นั้นเาจมาถามตรงนี้ว่าถ้าเผื่อว่าเขาโหวตกันโหวดนะลงคะแนนเสียงลงคะแนนเสียงเลยคุณโยมติว๋ว ใ, ใส่ตั้งบูธแล้วทุกคนมีสิทธิ์คนละเสียงละเสียงในที่นั้นนะให้เอาสัตว์เดรัจฉานมาทั้งโลกเอาเทวดามาทั้งโลกโหวตกันว่าเทวดาดีกว่าหรือสารชุ่มพระดีกว่าค่ะคุณโยมติ๋วคิดว่าผลการโหวตจะออกมาเป็นยังไงอืมเป็นดูเป็นเขาเรียกอะไรคะ เทวประชาธิปไตยกับนอน <c oughs> ประชาธิปไตยอะไรพ้นพ้น อ, ออกมาเลยค่ะพ้นออกมาแน่นอนนะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งชีวิตมีหนึ่งเสียงคนะสัตว์เดรัจฉานชนะแน่นอนอืมเพราะเพราะว่ามันมีจํานวนมากกว่าโอ้ค่ะคุณเอานอนมาเอามดมาเอาปลวกมาเอาสัตว์ที่อยู่ในทะเลทั้งหมดมามากกว่าเทวด า, านแน่นอนออเพราะนั้นเพราะนั้นบวกชนะนะเทวดาคุณชนะคุณแพ้ไหมคุณต้องมาอยู่ฐานส่วมกับฉัน โอ้ยเทยวดาที่ไหนเขาจะไปยอมเขาไม่ก็ไม่อยู่ท่านคาอย่างนี้เนี่ยดิฉันยังมองว่าน่าจะอธิบายอะไรอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่ากำลังจะอธิบายว่าเอคนที่มีสัญชาติหนอนขอประทานโทษนะคะเอ <c oughs> ขอประทานโทษจริงๆไม่ม ไ, มไม่ทราบจะพูดยังไงถึงจะชัดเจนคือเหมือนกับว่าเหมือเหมือนกับคนที่ทําไม่ดีอะคะ่ะคนที่อชอบทําไม่ดีอเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่ไม่ดีเป็นของดีอสิคะใช่ ถามว่าตรงนี้ไงเราถึงว่าคุณชุนชักจูงใครอยู่คุณโบสถให้ใครอยู่คุณเอาใครมาลงคะแนนแล้วถามว่าคนที่มันลงคะแนนเนี่ยคุณได้ข้อมูลอะไรคนชักชูนคนง่ายไหมหรือผู้นําดีหรือเปล่าเนี่สําคัญ <Okay. S 1> อเพราะฉะนั้นเพราะนั้นเรื่องการซื้อเสียงก็ตามนี่เป็นสิ่งไม่ดีแน่นอนใช่ไหม <Okay. S 1> หรือบางคนไม่ซื้อเสียงจริงๆแต่ว่าตามผู้นําที่ไม่ดีผู้นําว่าสิ่งนี้ดีแต่จริงมันไม่ดีคุณตามเขาคุณพลาดเลยแล้วก็เอาคนหมู่มากมาลากไปไม่ถูก <Okay. S 1> ต้อง สรุปแล้วก็คือว่าตามธรรมนั่นแหละทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามธรรมใช่ดังนั้นจะอย่างไรเสียท่านที่ฟังรายการนี้ก็มาช่วยเป็นแนวร่วมกันนะคะในการที่จะช่วยทำให้คนส่วนใหญ่รู้ว่าธรรมคืออะไรเพราะที่ฉันคิดว่ามนุษย์เนี่ยมีความหน้าเห็นใจอยู่อย่างหนึง่งมนุษย์บัง บางคนอะนะคะออืเรียกว่าบางทีเขามองมองเห็นอย่างที่คนอย่างที่เขาคิดว่าถูกอะในขณะที่ที่ถ้าว่ากันไปตามธรรมแล้วมันไม่ใช่ใช่เพราะฉนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าการครบกับคนดีเนี่ยการครบกับสัพ บ, บรุษก็ตามการครบกันรยาณมีก็ตามเนี่ยจึงเป็นทั้งหมดเลยของการที่คุณจะประพฤติปฏิบัติให้ดีขึ้นมาได้เพื่อนก็แต่บางครั้งดิฉันมานั่งคิดอย่างนี้นะครับว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่า เเกิดมาเป็นคนเนะี่ยมันต้องมีกรรมอะไรอย่างหนึง่ง ม, มันถึงทําให้ทําไมต้องไม่เหมือนกันนะคะบางคนบางคนคิดดีบางคนคิดไม่ดีอ๋อใช่ใชคุณยมติวพูดถูกว่าเกิดมาเนี่ยต้องมีกรรมแน่นอนคุณถึงได้เกิดมาเนะีเพราะว่าไม่งั้นมันเชื้อ ข, ของการเกิดจะไม่มีละ่ะตรงนั้นก็คือกรรมนั่นเองทีงนี้ว่าอะไรที่ทําให้คุณคิดดีหรือไม่ดีตรงนี้พระเจ้าเคยพูดถึงอาสวะนะอาสวะนี่คือลักษณะ น, นิสัยแพทเทิร์นในชีวิต สิ่งที่มันหมักหมมพอกผุนอยู่ในจิตของเราตามกรรมที่เราทํามานะกรรมนี่แหละจะเป็นตัวแยกให้เราสามหรือประณีด ต, ตามตามลักษณะนิสัยของเราค่ะเพราะฉะนั้นในโอกาสวันนี้เราก็พูดมาถึงเรื่องของเลขแปดสิบที่พูดถึงแปดสิบปีประชาธิปไตยกันแล้วอืนะคะอะในส่วนของทางโลกท่านก็ไปช่วยกันคิดกันละกันว่าตามธรรมในสิ่งที่ควรจะเป็นนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าสรุปสุดท้ายในรายการนี้ ที่เกี่ยวกับธรรมะของพระาศาสดาแล้วทุกคนนําไปปฏิบัติกันได้นะคะเลข80ซสิึงควรที่จะประลึกถึงอะไรกันมากที่สุดส่งท้ายค่ะก็จะต้องนึกถึงความดีงามของเหล่า80มหาสาวกทั้งหมดค่ะถ้าเราคิดว่าเราจะปฏิบัติธรรมะวินัยนี้นะให้ได้ถึงสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรจะให้เอา80มหาสาวกเนี่ยเป็นมาตรฐานอันนี้ความเหามายจะมานะ แต่พระเาเคยบอกว่าให้เอาอัครส า, าวกสองรูปนี้หรือว่ า, าตัวพระองค์เนี่ยเป็นมาตรฐานได้เหมือนกันถ้าอัครส า, าวกแปดสิบที่ท่านบอกว่าจะให้พวกเราใช้เป็นมาตรฐานเนี่ยคุณสมบัติของท่านพอจะสรุปในที่นี้อย่างไรอ๋อสรุปง่ายๆก็คือว่ามีศีลสมาธิปัญญานะชั้นที่เป็นอเัเสขักนั่นคือเป็นบ้าหลานนะเป็นบ้าหลานละอย่างน้อยๆแล้วก็จะมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกเช่นว่าศีลที่ละเ อ, เอียดขึ้นไป มีการถามตอบปัญหาที่มีความสามารถมีการกระจายธรร ม, มะเป็นคนจำวำจาดีแล้วก็อพวกนี้เราก็ค่อยๆทําความศึกษาขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปค่ะสําสหรับผู้ที่ใส่ปฏิบัติและคิดว่าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ต้องพยายามไต่ขึ้นไปให้ ม, มาตรฐานใกล้เข้าใกล้เข้าแล้วถ้าเป็นไปได้ดีที่สุดก็คือให้เป็นมาตรฐานเดียวกับพระอรหันต์แปดสิบรูปนี้มหามหาอะไรไหครับเออมหาอิสีติ อสศ<ม>ิติมหาสาวกอาศิติมหาสาวกเป็นมหาสาวกไม่ใช่ไม่ใช่สาวกธรรมดาใช่นะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้เวลาอีกแล้วล่ะคะ่ะท่านคะคงจะได้พูดคุยกับท่านเพบู์กันแต่เพียงเท่านี้นะคะพระเพบูณพิบุญโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะคะที่กํลาลังมาสนทนากันอยู่ในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผู้ทวจนะทางรายการ ส, นสนัมมนาสนทนา รกราบในวสการขอพระคุณท่านค่ะเอเลีนพานท่านทั้ที่รบคาแล้วเราก็ขอทิ้งท้ายด้วยการที่สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ทรงค้นพบมาจากความเป็นจริงของโลกนะคะซึ่งคนอื่นเนี่ยก็อยู่ในโลกใบนี้เหมือนกันแต่ไม่พบเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเหลือเกินค่ะเราสามารถจะศึกษาแล้วก็นาไปสู่ การพัฒนาตัวของเราเองหากว่าเราได้นำเอาคาสอนของพระพุทธองค์นั้นมาปฏิบัตินะคะก็จะไม่ผิดไม่เพี้ยนสามารถที่จะเดินตรงไปตามทิศทางที่เราต้องการได้ตราบเท่าที่เรามีความเพียรที่จะทำให้บรรลุผลนะคะหนังสือผู้ท้วจนะค่ะพระอาจารย์คึกฤทธิ์สทิพโหท่านก็ยังมุ่ง ม, มั่นที่จะแจกเพื่อที่ใช้พวกเราได้ เข้าถึงคำสอนของพระศ า, าสดากันให้กว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะคะ02 269 0006ค่ะที่สถานีวิทยุแห่งนี้แล้วก็ดิฉันอยากจะเรียนให้ทราบนะคะว่าในเว็บไซต์ของ w h a t n a c o m ขณะนี้ก็มีเสียงที่ดิฉันอ่านหนังสือสองเล่มคือหนังสือพุทัวจนะชุดปฐมธรรมสามเล่มค่ะอีกเล่มนึงคืออนาปนาสติอีกเล่มหนึ่งก็คือ9อ้าแยอย่างพุทธะที่ท่านทั้งหลายสามารถจะไป ดาวโหลดมาฟังกันได้แล้วด้วยนะคะเพราะบางคนบอกว่าการฟังพุทธวจนะประกอบการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขารู้สึกดีมากก็เชิญเลยนะคะที่ www.watnapp.com ค่ะวันนี้เราลากันไปเพียงเท่านี้นะคะพุทธวจนสวัสดีค่ะ